สมภัสสยองวัดร้างอาถรรสองครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ผมได้มาเยือนวัดร้างในป่าแห่งเดิมหลังจากที่ในครั้งแรกผมและน้องๆที่ติดตามไปด้วยได้พบเจอกับวิญญาณเฮียน ที่วนเวียนสิงสถิตบริเวณวัดวางนั้นจนกระทั่งต้องทำพิธีส่งวิญญาณกลับไปกว่าเหตุการณ์จะสงบลงได้ก็ทำให้ผมและน้องๆขวันกระเจิงเหนื่อยอ่อนไปตามๆกันจากที่ผมเคยได้ยินประวัติส่วนหนึ่งของป่านี้ว่าเคยมีคนโดนจับมานั่งย่างแล้วเผาทั้งเป็นจึงพอจะเดาได้ว่าป่าแห่งนี้ อาจเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณเฮียนหลายตนทำให้ครั้งที่สองนี้ผมจึงต้องเตรียมตัวมาดีกว่าเดิมผมเดินทางไปยังวัดร้างในป่าพร้อมน้องผู้ชายคนใหม่สองคนและน้องผู้หญิงที่มาจากกลุ่มเดิมอีกหนึ่งคนเมื่อเข้าไปในบริเวณวัดป่าพวกเรารู้สึกได้เลยว่าบรรยากาศในวัดมืดครึมและวังเวงชวนขนลุก ผมและน้องๆเดินสำรวจอีกด้านหนึ่งของวัดในบริเวณที่ยังไม่ได้สำรวจในครั้งแรกพวกเราเจอแท่นหินฝังไว้ใกล้กับจอมปลวกขนาดใหญ่แท่นหินนั้นโผพล่พ้นพื้นดินให้เห็นเพียงเล็กน้อยตอนนั้นผมอยากรู้ว่ามันเป็นแท่นอะไรจึงลองขุดขึ้นมาดูด้วยความสงสัยพอผมเริ่มขุดก็รู้สึกเย็นวาบขึ้นมาที่กลางหลังทันที ผมจึงหยุดแล้วเงยหน้าขึ้นก็เห็นน้องคนหนึ่งมองมาที่ผมและจอมปลวกด้วยสีหน้าซีดเผือดเหมือนหวาดกลัวอะไรสักอย่างทันใดนั้นผมก็เห็นบางอย่างสีขาวผ่านไปทางหางตาแต่พอหันไปมองก็ไม่เจออะไรผมจึงหันกลับมาหยิบน้ำต้นงิ้วป่าที่ปลูกเสกลาวเอามาตอกลงบนจอมปลวก เพื่อสะกดวิญญาณเอาไว้จากนั้นผมและน้องๆจึงเดินสำรวจกันต่อผมเดินนำหน้าน้องๆไปทางด้านหลังของวัดแล้วผมก็ต้องสะดุ้งตกใจเพราะเจอสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะเจอมาก่อนเบื้องหน้าผมห่างไปประมาณหเมตรมีร่างประหลาดตัวอ้วนใหญ่เกือบเท่าต้นไม้ที่ใบหน้าไม่มีตาหรือจมูก มีเพียงปากที่อากว้างมองเห็นฟันแหลมและคมกริบน้องๆที่เดินตามหลังมาเหมือนจะมองไม่เห็นร่างประหลาดนี้ผมจึงส่งสัญญาณให้น้องหยุดเดินแล้วโบกมือให้ถอยไปก่อนผมเตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้ไว้อยู่แล้วก้มหยิบส้อยประคำมาม้วนไว้ที่มือสามรอบแล้วท่องคาถาอาวุธพระอินร่างประหลาด เรือนตัวเข้ามาใกล้ผมอย่างรวดเร็วผมจึงฟาดสร้อยไปที่ร่างนั้นเมื่อสายสร้อยประคำกระทบที่ร่างประหลาดร่างนั้นก็แตกสลายกลายเป็นควันแล้วจางหายไปไม่มีเสียงกรีดร้องใดๆให้ได้ยินผมรอจนเหตุการณ์สงบดีแล้วจึงพาน้องๆเดินต่อไปสักพักก็มาเจอจอมปลวกอีก ผมหยิบน้ำต้นงิ้วป่าปลูกเสกมาตอกไว้บนจอมปลวกแต่น่าแปลกมาเพราะผมพยายามตอกน้ำเท่าไรก็ไม่สำเร็จจึงใช้มีดหมอแทงไปที่จอมปลวกหนึ่งครั้งจึงสามารถเสียบน้ำปลูกเสกลงไปได้อย่างง่ายได้พวกเราเดินต่อไปผ่านบริเวณที่ต้นไม้ขึ้นกรกขึ้มเดินไปสักพักจนใกล้จะถึงทางออก ก็เจอจอมปลวกขนาดใหญ่มากตั้งตรงานใต้ร่มไม้ผมเห็นเงาดำๆบนจอมปลวกจึงหยิบกระบองเท้าเวสุวรรณออกมาซึ่งกระบองนี้ทำจากไม้เสาโบสถเชื่อว่ามีความคลังมากผมเอากระบองมาข้อที่พื้นสามครั้งก่อนจะปีนขึ้นไปบนจอมปลวกเพื่อเอาหนามปลุกเสกไปปักพอปักเสร็จผมก็ปีนลง แล้วเดินกลับไปรวมกลุ่มกับน้องๆที่ยืนรออยู่เมื่อเห็นหน้าของน้องๆก็สังเกตเห็นว่าแต่ละคนมีแววตาหวาดกลัวจึงพาน้องๆกลับขึ้นรถแล้วเดินทางกลับบ้านเมื่อกลับไปถึงบ้านผมจึงได้ถามว่าน้องๆเห็นอะไรที่วัดร้างถึงมีท่าทางตื่นตระหนกอย่างนั้นน้องคนหนึ่งบอกว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง ใส่ชุดขาวลำตัวยาวไม่มีแขนเธอโค้งตัวก้มลงมามองดูตอนที่ผมกำลังขุดแท่นที่ฝังใกล้จอมปลวกนั้นส่วนน้องอีกคนก็บอกว่าตอนที่ผมกำลังปีนขึ้นจอมปลวกอันสุดท้ายพวกน้องเห็นสีสากของผู้หญิงแต่ไม่มีลูกในตาเธอห้อยหัวจากบนต้นไม้ก้มลงมามองผม เมื่อเห็นแล้วก็กลัวมากพูดอะไรไม่ออกขนาดออกจากวัดร้างในป่ามาแล้วภาพสยองนั้นยังคงติดตาน้องๆ อ, อยู่เลยดวงไฟประหลาดที่ไร่มันสำปะหลังเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2549 ผมชื่อตู่เป็นคนกลาสินตอนนั้นผมอายุ ป, ประมาณ24ปีวันหนึ่งเวลาประมาณ6โมงเย็นเพื่อนของผมชื่อเอ็มได้มาหาที่บ้านแล้วขอให้ผมช่วยไปส่งมันที่บ้านผู้หญิงซึ่งอยู่ต่างอำเภอไปประมาณห้ากิโลเมตรเย็นวันนั้นผมไม่มีธุระจะไปที่ไหนอยู่แล้ว จึงตกลงไปส่งเอ็มด้วยรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮารุ่นทักซีโดจากหมู่บ้านของผมไปจนถึงหมู่บ้านของผู้หญิงจะมีไร่มันสำปะหลังและไรอ้อยขึ้นอยู่เต็มสองข้างทางแต่กว่าที่เราทั้งสองจะได้ออกจากบ้านตะวันก็ตกดินแล้วผมกับเอ็มก็ไปถึงบ้านของผู้หญิงและอยู่คุยกันจนดึกประมาณสีทุ่มกว่า ผมกับเอ็มจึงขึ้นรถเดินทางกลับบ้านผมขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะถนนค่อนข้างมืดจึงไม่อยากใช้ความเร็วมากนักผมขี่ไปเรื่อยๆคุยกับเอ็มไปด้วยอย่างสนุกป่าเวลานั้นถนนลงมากไม่มีรถคันอื่นวิ่งอยู่เลยเพราะผมขี่มาใกล้จะถึงทางเข้าหมู่บ้าน ผมก็เหลือบไปเห็นดวงไฟดวงหนึ่งขนาดใหญ่เท่าหัวทารกลอยตีคู่มากับรถของผมดวงไฟลอยอยู่เหนือไร่มันสําปะหลังห่างจากรถไปประมาณสาสิบเมตรผมรีบบอกเอ็มให้ดูที่ดวงไฟไม่อเอ็มเห็นแล้วก็สงสัยว่าทําไมถึงมีดวงไฟลอยตีคู่ขนานมากับรถของเราจึงถามผมว่าตู แกเห็นดวงไฟตั้งแต่เมื่อไหร่วะผมตอบกลับไปขณะที่พยายามมองถนนสลับกับชำเหลืองดูดวงไฟเป็นระยะระยะว่าเห็นได้ขี่รถขึ้นเนินมาแล้วละ่ะแล้วดวงไฟก็ตามมาจากตรงนั้นเลยเอ็มเลยเงียบไปครู่หนึ่งผมเคยได้ยินมาว่าที่ตรงนั้นคนรุ่นก่อนเขาบอกว่ามันเป็นทางผีผ่าน ผมกับเอ็มพยายามเดาว่าเป็นดวงไฟของอะไรจะว่าเป็นเครื่องบินก็ไม่น่าจะบินต่ำขนาดนี้อีกทั้งสองข้างทางเป็นไรมันไรอ้ อ, อยไม่มีบ้านภากอาศัยเลยจึงไม่น่าจะเป็นแสงไฟจากบ้านเรือนผมสังเกตเห็นว่าไฟดวงนี้จะลอยคู่ขนานกับรถของผมตลอดไม่แสงหน้าหรืออยู่ข้างหลังเราเลย ผมจึงบอกกับเอ็มว่าให้กอบผมให้แน่นผมจะลองเร่งความเร็วรถดูเมื่อผมบิดคันเร่งรถก็เคลื่อนที่ไปได้วยความเร็วมากแต่ไฟดวงนั้นก็ลอยตามมาติดๆเช่นกันพอใกล้จะถึงหมู่บ้านดวงไฟดวงนั้นก็ลอยหายเข้าไปในต้นกระบกที่อยู่ข้างทางผมและเอ็มประหลาดใจกับสิ่งที่เห็น พอกลับมาถึงบ้านผมรีบไปเล่าให้แม่ฟังแม่บอกว่ามันเป็นผีโพงออกมาหากินตอนกลางคืนซึ่งที่ผ่านมาก็มีคนในหมู่บ้านหลายคนเคยเห็นดวงไฟแบบนี้เหมือนกันผมฟังแล้วก็ไม่ได้รู้สึกกลัวแต่ก็ไม่อยากเจอดวงไฟนี้อีกเกรงว่าวันหนึ่งจะเจอเรื่องสยองเข้า ถ้าผมเกิดไปทำอะไรลบหลู่ขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจห้องพักชั้นสองเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณห้าปีก่อนในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนมีนักศึกษาสาวปะวะสวสองคนของวิทยาลัย อ, อาชีวะแห่งหนึ่ง ได้มาเช่าหอพักอยู่ไกลๆกับวิทยาลัยที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เนื่องจากบ้านของทั้งคู่อยู่ต่างจังหวัดทั้งสองจึงมาอยู่หอพักเพื่อสะดวกในการเดินทางไปเรียนหนังสือและกลับที่พักพวกเธอเดินหาหอพักอยู่หลายทีแต่ก็หาไม่ได้ทุกที่เต็มหมดเลยด้วยความพยายามของพวกเธอ ที่จะต้องหาหอพักอยู่ให้ได้ในที่สุดพวกเธอก็ได้เจอหอพักแห่งหนึ่งที่ยังคงเหลือห้องให้เช่าแม้ว่ามันจะอยู่ห่างจากวิทยาลัยพอสมควรแต่หอพักของที่นี่มีราคาที่ถูกกว่าหออื่นเมื่อเข้าไปตรวจภายในห้องก็พบว่าห้องดูกว้างมากพอที่จะอยู่กันสองคนแบบสบายสบาย แถมยังเป็นห้องแอร์อีกต่างหากราคาสองพันบาทต่อเดือนถือว่าถูกมากเลยทีเดียวพวกเธอไม่ได้เอใจอะไรรีบตกลงทำสัญญาและวางเงินมัดจำเพื่อที่จะเช่าอยู่ทันทีหลังจากทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วฝ้ายกับฝนก็นำพวงมาลัยมาไหว้แล้วย้ายเข้ามาอยู่ห้องที่ทั้งสองเลือกนั้น เป็นห้องพักที่อยู่ชั้นสองซึ่งแต่ละห้องส่วนใหญ่แล้วจะมีแต่คนทำงานมาพักอาศัยอยู่ทั้งชั้นไม่มีนักศึกษาอย่างพวกเธออยู่เลยทั้งสองคนใช้ชีวิตในคืนแรกอย่างปกติสุขจนมาคืนที่สองคืนนั้นฝนนอนไม่หลับตอนนั้นก็เป็นเวลาตีสองกว่าๆแล้วเธอเดินออกไปสูดอากาศที่ระเบียง โดยเปิดประตูห้องทิ้งไว้หลังจากที่ฝนออกไปสู่อากาศได้สักพักก็ปิดประตูรูดม่านแล้วกลับมานอนที่เตียงด้วยความที่นอนไม่หลับฝนก็มองไปเรื่อยเปื่อยแล้วสายตาก็เหลือไปเห็นบางอย่างที่ระเบียงมันเป็นเงาดำๆรูปร่างลักษณะคล้ายคนเงานั้นอยู่ที่พามาน ตรงหน้าต่างหลังห้องเมื่อฝนเห็นก็ตกใจรีบปลุกไฟให้ตื่นพอฝนหันไปดูอีกทีเงาดํานั้นก็หายไปแล้วเมื่อไยตื่นฝนก็เล่าเรื่องให้ฟังทั้งสองคนกลัวมากรีบโทรไปบอกลุงยามที่อยู่ด้านล่างสักพักลุงยามก็ขึ้นมาดูให้แต่ก็ไม่พบอะไรแล้วทั้งสองก็ปิดห้อง ไปนอนต่อด้วยความง่วงฝ่ายก็หลับไปอย่างไม่รู้ตัวส่วนฝนก็พยายามขมตานอนให้หลับและไม่กล้าที่จะมองไปยังระเบียงอีกเช้ามาฝ่ายกับฝนก็แต่งตัวไปเรียนตามปกติทั้งสองเรียนที่วิทยาลัยแห่งนี้ก็เลิกกันดึกแทบจะทุกวันหลังจากที่เลิกเรียนแล้วก็ไปหาอะไรกินกันที่ตลาด เดินดูนั่นซื้อนี่ไปเรื่อยเปื่อยกว่าจะกลับมาถึงห้องก็เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มตอนนั้นห้องส่วนใหญ่ปิดไฟนอนกันหมดแล้วเมื่อทั้งสองเดินขึ้นบันไดไปยังชั้นสองและกำลังไขประตูห้องหางตาก็มองเห็นบางสิ่งอยู่ที่ห้องสุดท้ายด้านในสุดทัดจากห้องของฝ้ายกับฝนไปสองห้องเมื่อหันไปดูก็เห็นว่า มีพี่คนหนึ่งทำท่าเหมือนกับว่ากำลังไขประตูห้องพี่เขาหันมาเล็กน้อยและยิ้มให้กับทั้งสองคนพวกเธอจึงยิ้มตอบเมื่อไขกุญแจเข้ามาในห้องแล้วฝ้ายก็ได้กลิ่นแปลกๆที่ไม่คุ้นเคยมันเป็นกลิ่นหอมของอะไรสักอย่างตอนนั้นฝ้ายคิดว่าฝน ค, คงซื้อน้ำยาปรับอากาศมา ก็เลยไม่ได้สนใจหลังจากที่ทั้งสองอาบน้ำทำอะไรเสร็จแล้วก็พากันเข้านอนคืนนั้นฝนได้ฝันว่ามีเด็กคนหนึ่งอายุประมาณ 3-4 สี่ขวบมานั่งร้องไห้ที่ปลายเตียงหันหลังให้กับเธออยู่ฝนตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นก็รู้สึกว่าขยับตัวไม่ได้จะร้องก็ร้องไม่ออกสักพัก เหมือนเด็กคนนั้นจะรู้ว่าฝนตื่นจึงลุกขึ้นแล้วหันหน้ามามองฝนจากนั้นก็ปีนขึ้นเตียงค่อยๆคลานเข้ามาที่หน้าอกของฝนแล้วนั่งทับหยุดตรงนั้นจ้องมองฝนด้วยสายตาที่น่ากลัวเมื่อฝนเห็นดังนั้นก็หลับตาพยายามท่องอิติปิโสพอท้องจบก็รู้สึกผ่อนคลายลง ฝนจึงค่อยๆลืมตาขึ้นก็เห็นว่าเด็กคนนั้นหายไปแล้วเธอรีบปลุกไฟให้ตื่นเมือ่อไฟได้รับฟังเรื่องราวที่ฝนเล่าก็รีบโทรไปหาเพื่อนที่มีบ้านอยู่ไกลๆให้มารับไม่นานนักเพื่อนคนนั้นก็มาครอบประตูที่หน้าห้องทั้งสองรีบวิ่งไปเปิดประตูในทันทีแล้วออกจากห้องนี้ไป ในขณะที่ทั้งสามกำลังเดินไปที่บันไดเพื่อจะลงไปยังชั้นล่างก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรอยู่ด้านหลังจึงค่อยๆหันไปมองก็เห็นพี่ผู้หญิงที่อยู่ห้องในสุดที่ยิ้มให้พวกเธอก่อนหน้านั้นเธอยืนอยู่ที่หน้าห้องด้านในจ้องหน้าไปยังประตูหลาวสักพักเธอก็เดินหายเข้าไปในประตูโดยที่ไม่ได้ไขกุญแจ หรือเปิดประตูห้องเลยทั้งสามคนตกใจสุดขีดกรีดร้องลั่นสนั่นหอจนทุกคนในชั้นตื่นกันหมดทั้งสามรีบวิ่งออกมาจากที่นั่นแล้วขึ้นรถขับไปบ้านเพื่อนเช้ามาฝ้ายกับฝนก็กลับมายังหอนี้อีกแล้วไปหาลุงยามที่เฝ้าหอบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ลุงยามจึงพูดว่าคงได้เจอแล้วสิแล้วลุงก็เล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนที่เห็นนั้นสามีของเธอทิ้งไปมีเมียใหม่ทั้งทั้งที่เธอกำลังตั้งท้องอยู่เธอเสียใจมากหาทางออกไม่ได้จึงคิดสัน้นโดยนำเชือกไปแขวนไว้กับเหล็กที่รองแอร์แล้วผูกคอตายพร้อมกับลูกในครรน กลายเป็นวิญญาณเฮียนตายทั้งกลมอยู่ภายในห้องนั้นและห้องนั้นก็ไม่มีคนมาพักอยู่นานมากแล้วห้องถัดไปที่อยู่ติดติดกันก็เป็นห้องว่างไม่มีใครเช่าอยู่เพราะทุกๆุกคืนจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังมาจากห้องนั้นจนอยู่กันไม่ได้ไยกับฝนเมื่อได้ยินที่ลุงยามเล่า ก็รีบทําเรื่องขนของย้ายออกในวันนั้นเลยทั้งที่อยู่ได้เพียงแค่สามวันเท่านั้นส่วนค่ามัดจําถึงจะถูกยืดไปก็ต้องยอมเพราะทนอยู่ที่หอนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วมันน่ากลัวมากครั้งต่อไปจะไปเช่าหอที่ไหนทั้งสองคนจะไม่เห็นแก่ของถูกอีกแล้วและจะต้องเช็คประวัติทุกครั้งก่อนเข้าอยู่ 怎么样子哟？